แต่ละคนมีสิ่งหนึ่งที่มีคุณค่ามากแต่ส่วนใหญ่มักจะมองข้ามซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากสิ่งนั้นคืออะไรนะคือความใส่ใจความใส่ใจเนี่ยมันเหมือนทรัพนะที่เราแต่ละคนเนี่ยมีจำกัดเหมือนกับเวลาเนี่ยแต่ละคนเนี่ยมีเวลาที่จำกัด ในโลกนี้ความใส่ใจของเราก็เช่นเดียวกันนะเราไม่สามารถจะใส่ใจกับทุกเรื่องได้ดังนัถ้าเราสามารถใส่ใจกับทุกเรื่องได้เนี่ยมันก็คงไม่ค่อยมีคุณค่าเท่าไหร่แต่เราจะให้ความใส่ใจกับสิ่งใดก็ตามเนี่ยเราจึงต้องเลือกว่ามันสำคัญหรือเปล่าเพราะว่า ความใส่ใจเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ต้องทำควบคู่ไปกับการให้เวลาเราจะให้ความใส่ใจกับเรื่องอะไรก็หมายความว่าเราต้องให้เวลากับสิ่งนั้นด้วยและเราก็รู้อยู่แล้วว่าเวลาเรามีจำกัดเพราะฉะนั้นเนี่ยความใส่ใจของเราเนี่ยมันก็มีจำกัดด้วยเราไม่สามารถจะให้ความใส่ใจกับทุกเรื่องได้ เราก็ต้องเลือกสิ่งที่เราจะให้ความใส่ใจและสิ่งนั้นก็ควรจะเป็นสิ่งที่มีคุณนับค่ามีความสำคัญต่อชีวิตของเราโดยนี้เนี่ยมันจึงเป็นสิ่งที่เราควรจะรู้จักธนุถนอมรู้จักสงวนรักษาเอาไว้แล้วก็เลือกว่าจะให้ความใส่ใจกับอะไร อีกเหตุผลหนึ่งที่ความใส่ใจเป็นสิ่งสาคัญก็เพราะว่าไม่ว่าเราจะทำอะไรให้ได้ผลเนี่ยมันต้องมีความใส่ใจประกอบด้วยอย่างเวลาเราเรียนหนังสือเนี่ยถ้าเราไม่มีความใส่ใจในวิชาที่เราเรียนหรือสิ่งที่ครูบาอาจารย์ถ่ายทอด เราก็ไม่มีทางจะได้ความรู้ตัวอยู่ในชั้นขณะที่ครูสอนแต่ว่าใจเราไปใส่ใจกับสิ่งอื่นความรู้จะเกิดขึ้นได้อย่างไรเวลาเราทำงานเราต้องอาศัยความใส่ใจในงานที่ทำ จึงจะเกิดความสำเร็จถ้าเราไม่ใส่ใจในงานที่ทำแม่งานนั้นเนี่ยจะมีคุณค่ามีความหมายแต่ก็ลงท้ายนะก็คือไม่เกิดอะไรขึ้นเลยการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันนะปฏิบัติธรรมเนี่ย ไม่ว่าจะปฏิบัติด้วยวิธีใดถ้าเราไม่ให้ความใส่ใจกับสิ่งที่ทำไม่ว่าระหว่างที่นั่งขณะที่เดินไม่ว่าจะกาหนดลมหายใจหรือว่าอเรียบบทการเคลื่อนไหวถ้าเราไม่เอาความใส่ใจหรือไม่ให้ความใส่ใจกับสิ่งที่ทำ มันก็คือการทำฟรีฟรีไม่เกิดประโยชน์อะไรที่จริงอย่าว่าแต่การเรียนการทำมาหากินมาหากินประกอบอาชีพหรือว่าการปฏิบัติทําเลยนะแม้กระทั่งการาำนวนชีพประจำวันเนี่ยถ้าเราไม่ใส่ใจกับการกินอาจจะ เกิดการสำลักอาหารติดคอรหรือกินในสิ่งที่มันเป็นโทษต่อร่างกายเวลาเราแต่งตัวถ้าเราไม่ใส่ใจกับการแต่งตัวก็อาจจะลืมลูดซิปหรือว่ากลัดกระดุมผิดก็ทำให้เกิดความอับอายไขยหน้า เช่นเดียวกันนะถ้าเราขับรถถ้าไม่มีความใส่ใจกับการขับรถก็อาจจะหลงทางหรือว่าเกิดอุบัติเหตุชนคนที่กำลังข้ามถนนเสียปลั๊กไฟถ้าไม่มีความใส่ใจระหว่างที่เสียบไฟก็อาจจะชอ็อตเพราะว่ามือเปียกน้ำ ายได้ น, นความใส่ใจเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะที่สามารถจะทำให้ชิวิเราเนี่ยปกติสุขหรือว่าเกิดอันตรายได้แค่เดินลงบันได แต่ถ้าไม่ใส่ใจการลงบันเดินลงบันไดก็อาจจะลัดตกบันไดหัวแตกหรือว่ากระโหลกร้าเส้นเลือดในสมองแตกอัมมาพึกอัมมาภาพหรือตายได้ไ ม, ม่ว่าเราทำอะไรเนี่ยมันต้องอาศัยความใส่ใจทั้งนั้นจึงพูดได้ว่าความใส่ใจยังเป็น เป็นทรัพย์ที่มีค่ามากจะทำความดีสร้างบุญสร้างกุญศนถ้าไม่ใส่ใจในสิ่งที่ทำแทนที่จะได้บุญก็ จ, จะได้บาปแทนที่จะเกิดประโยชน์ก็เกิดโทษแต่คนเราไม่ค่อยเห็นความสำคัญนะของความใส่ใจ เราไม่รู้จักทนุถนอมไม่รู้จักสงวนให้กับสิ่งที่มีค่าหรือ ม, มีความสำคัญพลอยไปมัวจะไปให้ความใส่ใจกับสิ่งอื่นที่มันไม่มีประโยชน์อย่างเช่นไปใส่ใจกับเรื่องชาวบ้านเรื่องของดาราที่อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเราเรื่องของ เพื่อนร่วมงานอยากจะรู้ว่าเขามีเขาเป็นกิ๊กกับใครหรือว่าเขาทะเลาะ ก, กับใครไม่ใช่เรื่องของเราแต่ก็ไปให้ความใส่ใจกับเรื่องราวของคนเหล่านั้นอันนี้ละ ว, ว่านอกจากไม่เกิดประโยชน์แล้วมันก็ยังเสียเวลา เพราะคนเรามีเวลาที่จำกัดและเดี๋ยวนี้เนี่ยมันมีอะไรที่ดึงดูดความสนใจหรือความใส่ใจของเรามากมายเหลือเกินเช่นโซเชียลมีเดียเดี๋ยวนี้เราให้ความใส่ใจกับข้อมูลข่าวสารเรื่องราวในโซเชียลมีเดียรวมทั้ง ในโทรศัพท์มือถือเนี่ยวันหนึ่งก็หลายชั่วโมงโดยเฉพาะวัยรุ่นหนุ่มสาวหรือเด็กๆนี่ให้ความใส่ใจกับโทรศัพท์มือถือวันหนึ่งนี่หลายชั่วโมงทีเดียวโดยที่ไม่ได้ตระหนักเลยว่าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีค่าที่ควรจะเลือกว่าควรจะใส่ใจกับ อะไรที่มันสําคัญกว่าเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่แค่โซเชียลมีเดียอย่างเดียวนะภายมุก ค, ความบันเทิงเรื่องรมเพลงหนังการพนันเกมออนไลน์พวกนี้เนี่ยมันรอด แ, แต่ดึงความใส่ใจของ ผู้คนจนไม่เหลือความใส่ใจที่จะให้กับสิ่งอื่นเช่นแม้กระทั่งการพักผ่อนการศึกษาความรู้และผู้ใหญ่ก็เป็นกันเยอะนะรอมัวแต่ให้ความใส่ใจกับสิ่งที่มันอาจจะกลนเผลอกินเลว สนองความอยากรู้อย่างเห็นแต่ไม่เกิดประโยชน์เลยและยิ่งคนนั้นเนี่ยก็อาจจะไปใส่ใจกับคำนินทาของคนนั้นคนนี้ไปใส่ใจกับไปใส่ใจว่าเขาจะมองเราอย่างไรอันนี้ก็เป็นกันเยอะนะ เขามองเราอย่างไรเขาพูดถึงเราอย่างไรแม้จะเป็นคำดินทาว่ารักก็เอาแต่ไปใส่ใจมันไม่ใช่แค่เสียเวลาแต่ ม, มันเสียอารมณ์ด้วยแล้วเราก็ไปให้ความใส่ใจกับสิ่งที่ขัดใจเราไม่ถูกใจเราก็ไม่น้อยนะ ไอการไปให้ความใส่ใจกับสิ่งที่มันเนเปิลกิเลสหรือว่าสนุบสนานบันเทิงนี้มันก็ยังพอมีประโยชน์อยู่บ้างคลายเครียดแต่ไปให้ความใส่ใจกับคําพูดคําดินทาหรือว่าสิ่งที่มากระทบกระทั่งสิ่งที่ขัดใจเราเนี่ยอันนี้มันไม่เกิดประโยชน์อะไรเลย นอกจากเสียเวลายังทาให้เกิดเสียอารมณ์แต่คนก็ให้เวลาแล้วก็ความใส่ใจกับสิ่งเหล่านี้มากเหลือเกินโดยที่ไม่รู้ว่ามันเกิดโทษอย่างไรบ้างก็เคยมีการสอบถามคนชารานะอายุ80ปีขึ้นไปว่าเนี่ยอมองย้อนกลับไปถึงชีวิตที่ผ่านมา มีอะไรที่คุณอยากจะทำให้มันน้อยลงส่วนใหญ่จะบอกว่าเนี่ยอยากจะให้ความใส่ใจกับสิ่งที่ไม่เป็นเรื่องให้มันน้อยลงเพราะหลายคนพบว่าเนี่ยไปเสียเวลาไปมัวใส่ใจไปมัวเสียอารมณ์กับเรื่องไม่เป็นเรื่องนี้เยอะมากนะในชีวิตที่ผ่านมา คำพูดของผู้คนคำดินทาหรือว่าเรื่องกระทบกระทั่งบางทีมันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่โตนะเช่นขับรถปาดหน้ากันก็ไปเสียเวลาบางทีก็ไปทะเลาะ ก, ก, กันกับเรื่องกับการหาที่จอดรถก็หัวเสียไปกับเรื่องพวกนี้ และวันหนึ่งมันไม่ใช่แค่เรื่องเดียวมีหลายเรื่องมากที่คนเนี่ยมัวไปใส่ใจกับเรื่องพวกนี้แล้วก็หัวเสียกลับมารวมไปถึงเวลาทำความดีให้กับใครเขาไม่เห็นความดีของเราก็ น, น้อยอกน้อยใจก็โกรธโมโหกับแค้น ที่หมดเวลาเสียอารมณ์ไปกับเรื่องพวกนี้เนี่ยนับสิบปีเลยไปมัวใส่ใจกับเรื่องพวกนี้ไปมัวหัวเสียกับเรื่องเหล่านี้มารู้ตัวว่าพลาดไปแล้วก็ตอนที่แก่แล้วมีเวลาเหลือน้อยแล้วนี่เป็นเพราะคนเราเนี่ยไม่ค่อยได้เห็น คุณค่าของความใส่ใจมัวแต่ปล่อยมัวแต่ไปใส่ใจกับเรื่องไม่เป็นเรื่องเรื่องของชาวบ้านหรือว่าเรื่องที่มันไม่ค่อยจะเป็นประโยชน์แต่ว่ามันสนองความอยากรู้อยากเห็นหรือว่าสนองอกิเลส ช, ชั่วครูชั่วยามและเนื่องจากคนเรามีความใส่ใจจำกัดนะเหมือนกับเวลา พอเราไปใส่ใจกับเรื่องไม่เป็นเรื่องไอ้สิ่งที่ควรจะใส่ใจก็เลยไม่ได้ทําเช่นใส่ใจกับคนที่มีคุณค่าต่อชีวิตของเราเวลาก็ถามคนชลาว่าเนี่ยเมื่อมองย้อนกลับไปอะไรที่อยากจะทําให้มันมากขึ้นหลายคนก็จะพูดเลยนะอยากจะให้เวลากับครอบครัวมากขึ้นอยากให้เวลากับลูกสมัยที่ลูกเขายังเล็ก เราให้เวลาเขาน้อยไปเราให้ความใส่ใจเขาน้อยไปแต่แล้าพอลูกโตขึ้นก็มีปัญหาหรือว่าเขินห่างมัางเมินกันไม่ใช่แค่ลูกเดียวนะพ่อแม่นทุกคนทัว่ว น, นี่คนเราเนี่ยให้ความใส่ใจกับบุปการีเนี่ยน้อยเพราะว่าความใส่ใจมันหมดไปกับเรื่องไม่เป็นเรื่องเรื่องที่ ไม่สำคัญอาจจะลงมาถึงเรื่องการงานแต่ว่ามันไม่มีความพอดีมัวเพลินกับงานการเพราะว่าหลงในชื่อเสียงความสำเร็จหน้าตาที่ได้รับจากงานการแต่ว่าในสิ่งที่ควรคนที่ควรจะรับความใส่ใจจากเรากับแทบไม่มี เช่นพ่อแม่บุปการีรผู้มีพระคุณอันนี้ก็เป็นเสิ่งที่คนแก่หลายคนเนี่ยเขาเขาพูด <c oughs> เสียใจที่เสียใจที่ให้ความใส่ใจน้อยและที่จริงแล้วเนี่ยมันก็จะว่าไปเป็นพ่อเราเนี่ยไม่ค่อยรู้เท่าทัน สิ่งรอบตัวก็ได้เพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยมันมีอะไรต่ออะไรที่พยายามดึงความใส่ใจหรือความสนใจจากเราเพราะว่าถ้าเราไปสนใจกับเรื่องอะไรมันก็หมายถึงการที่เราควักเงินใจ่ายให้กับสิ่งนั้นโฆษณาเนี่ยนะมันเป็นสิ่งที่พยายามดึงดูดความใส่ใจจากเรามากเลย เดี๋ยวนี้ไปที่ไหนที่ไหนก็จะเห็นโฆษณาถ้าเราอยู่ในเมืองเนี่ยก็ต้องพยายามแข่งกันเพื่อดึงความใส่ใจหรือดึงสายตาของเราถ้าเป็นภาพนิ่งก็ดึงความใส่ใจจากเราได้น้อยแต่ถ้าเป็นภาพที่เคลื่อนไหวมันก็จะดึงความใส่ใจของเราเดี๋ยวนี้ไปดูสถานที่ไหนที่ไหนในเมืองเนี่ยมันมีแต่สิ่งที่พยายามดึงความใส่ใจของเรา แม้กระทั่งในรถไฟฟ้าเนี่ยก็ต้องมีภาพโฆษณาเคลื่อนไหวเพื่อล่อสายตาของเราซึ่งมันก็ต้องแข่งกับโทรศัพท์มือถือนะเพราะโทรศัพท์มือถือมันก็มีอะไรต่ออะไรที่จะดึงความสนใจของเราโซเชียลมีเดียเนี่ยเาก็พยายามทำทุกกระบวน่าเพื่อให้เราเนี่ยใส่ใจหรือให้เวลากับ แอปของเขาเนี่ยให้มากที่สุดเพื่อ เ, เพื่อเพิ่ม engagement เนี่ยเพื่อเราจะได้แชร์เพื่อเราจะได้คอมเมนต์นะเขาจะมีลูกเล่นมากมายทั้งหมดนี้ก็เพื่อจะดึงความใส่ใจของเราเพราะว่าถ้าเราใส่ใจมากความอยากที่จะซื้อนั่นซื้อนี่ก็มีหรืออย่างน้อยเนี่ยมันก็เป็นข้อมูลให้เขาไปขายได้ เดีย๋ยวนี้เนี่ยไม่ว่าเราจะทำอะไรอยู่ที่ไหนเนี่ยมันก็จะมีสิ่งที่คอ ย, คอยล่อลวงความใส่ใจของเราถ้าสุดท้ายเราก็ไม่มีเราก็ไม่เหลือความไม่เหลือเวลาหรือความใส่ใจพอที่จะทำในสิ่งที่มีค่าแม้กระทั่งการเรียนหนังสือหรือว่าการให้เวลากับคนที่เรารักถ้ามัไม่ใช่แค่น้นสิ่งที่เราควรจะใส่ใจเนี่ย มันไม่ใช่แค่คนรอบตัวแต่ที่ไม่ควรจะมองข้ามคือกายใจเมืถ้าเราไม่ใส่ใจกับกายและใจไม่ให้ความใส่ใจเพียงพอนะเราก็จะจมอยู่ในความหลงแล้วที่คนทุกวันนี้เนี่ย ไม่สามารถจะให้ความใส่ใจกับสิ่งที่มีค่าแต่มัวไปใส่ใจกับความบันเทิงเริงรมโซเชียลมีเดียเป็นเพราะอะไรนะเพราะว่าไม่รู้เท่าทันไม่รู้เแ่าทันความอยากไม่รู้เท่าทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นทุกอย่าคือไม่มีสติแล้วคนเราเนี่ย ตาบใดที่เราไม่มีสตินะนการที่จะใส่ใจสิ่งที่มีคุณค่ามีความสำคัญมันก็ยากนะแม้กระทั่งขณะที่ฟังคำบรรยายอยู่เนี่ยอุตส่าห์พาตัวมาถึงศาลาหอไตรแต่ว่าสิ่งที่ได้ยินเนี่ยมันจะไม่มีไม่เกิดประโยชน์เลยถ้าหากว่าใจเราเนี่ยไปอยู่กับสิ่งอื่นใจเราไปอยู่ที่บ้าน เราไปอยู่ที่งานอันนี้ก็เราไปให้ความใส่ใจนะกับสิ่งที่อยู่นอกตัวกับสิ่งที่เป็นอดีตสิ่งที่เป็นอนาคตมาฟังทำแท้แต่ว่าใจเนี่ยไม่สามารถจะอยู่กับคำบรรยายได้ไปใส่ใจกับสิ่งอื่นแทนอาจจะด้วยความห่วงด้วยความกังวลหรือว่าจะพราะเหตุผลอย่าก็แล้วแต่เป็นพ่ออะไร เพราะไม่มีสติไม่รู้เท่าทันความคิดและอารมณ์ที่เกิดขึ้นในการที่เราหันมาใส่ใจกับการสังเกตกายและใจเนี่ยมันเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งของชีวิตเราเพราะถ้าเรา ให้ความใส่ใจกับกายเวลาเคลื่อนไหวเวลาทำอะไรมันไม่เพดทาให้เรามีสติกับการทำสิ่งนั้นหรือทำด้วยความรู้สึกตัวแต่มันยังเป็นต้นทุนที่สำคัญนะในการที่จะทำให้เราเนี่ยรู้เท่าทันความคิดและอารมณ์ที่เกิดขึ้นถ้าเราหันมาใส่ใจ กับกายเวลาเคลื่อนไหวใส่ใจเวลามันมีความคิดนึกเกิดขึ้นสังเกตความคิดและอารมณ์ที่เกิดขึ้นอยู่บ่อยๆอยู่บ่อยๆเราจะครองตนได้ดีขึ้นมันไม่เพียงแต่ทาให้เราเนี่ยสามารถจะทํากิจต่างๆได้อย่างถูกต้องนะคับรถก็ขับรถ ยังมีสติไม่หลงทางหรือว่ากินข้าวก็กินโนะดยความรู้เนอรู้ตัวแต่ยังทำให้เราเนี่ยไม่ถูกความทุกข์ครอบงำไม่ถูกกิเลสบงการไม่ว่าเราอยากจะทำสิ่งดีๆ หรือตั้งใจจะทำสิ่งที่มีคุณค่าจะเป็นการเรียนจะเป็นการประกอบอาชีพจะเป็นการดูแลลูกหลานหรือว่าใส่ใจพ่อแม่บุพการีแต่ถ้าเราไม่มีสตินะเราก็จะเผลอไปใส่ใจกับสิ่งอื่นแทนที่มันน่าสนใจมากกว่าหรือมันสนองความอยากรู้อยากเห็นมากกว่าหรือ มันชวนให้เกิดความหงุดหงิดกุ่นเคืองเพราะว่าสิ่งที่ขัดใจเราสิ่งที่ไม่ชอบใจมันก็มีแรงดึงดูดที่ทำให้ใจเราเนี่ยมัวไปหมกมุ่นอยู่กับสิ่งนั้นคำพูดนะที่ไม่ถูกใจเราการกระทําที่ไม่ถูกใจเราทั้งทั้ที่ใส่ใจมาเราก็ทาให้เราเครียดทาให้เราหงุดหงิดทำให้เราหัว เ, เ, เ, เสีย แต่ทำไมถึงไปจดจ่อใส่ใจกับมันมากเหลือเกินเพราะพอไม่มีสติจิตมันก็เลยมัวแต่ส่งออกนอกเราจะมีสติได้ก็ต่อเมื่อเรามันสังเกตหรือใส่ใจเวลากายเคลื่อนไหวเวลาใจคิดนึกให้ความใส่ใจกับกายและใจให้ความใส่ใจกับรูปและนาม มันก็ช่วยทำให้เราเนรู้จักหรือสามารถคลองตนไม่ถูกกิเลสครอบงำไม่ถูกสิ่งเร้าจากภายนอกมาบงการไม่ถูกสิ่งล่อเร้าย่ายวนจากโฆษณาจากโซเชียลมีเดียจากโทรศัพท์มือถือเนี่ยนะมันล่อให้เราไปใส่ใจกับสิ่งอื่น เดี๋ยวนี้เนี่ยนะมันมันก็จะมีเสียงเตือนอยู่เรื่อยๆทำอะไรก็จะมีเสียงเตือนจากโทรศัพท์เสียงเตือนจากไลน์เสียงเตือนจากโซเชียลมีเดียเตือนเพื่ออะไรเพื่อเราไปใส่ใจนะนเราก็มักจะเผลอนะไปใส่ใจกับสิ่งเหล่านี้พอมีเสียงเตือนเสียงเรียบแต่ถ้าเรามีสตินะเรากลาลังอ่านกาลังทำงาน กำลังอยู่กับลูกกำลัง อ, อยู่กับพ่อแม่เสียงเตือนพวกนี้เนี่ยมันจะไม่สามารถจะดึงความสนใจหรือความใส่ใจของเราไปได้เลยรวมทั้งเวลาเราฟังคำบรรยายแล้วจะมีความคิดผุดขึ้นมา จะเป็นความคิดเกียเกี่ยวลูกเกี่ยวงานการมันก็ไม่สามารถดึงใจของเราให้ไปให้ออกไปจากสิ่งที่เรากำลังทำอยู่สิ่งที่เรากำลังฟังอยู่อันนี้เราสามารถคลองตนได้ได้มากขึ้นและทำให้เราเป็นอิสระจากสิ่งเร่ำเรา้าเย้ายวนและทำให้เราเนี่ย สามารถจะเป็นอิสระจากความทุกข์ได้ด้วยเพราะถ้าหาว่าเราไม่สามารถจะควบคุมความใส่ใจของเราได้เนี่ยมันก็จะมัวแต่ไปใส่ใจกับสิ่งที่ทำให้จิตใจเกิดความรุ่มร้อนเกิดความวิมตกควงมวยเกิดความโกรธไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวในอดีตภาพปรุงแต่งในอนาคตหรือว่าสิ่งกระทบสิ่งรบเราจากภายนอก เราใส่ใจกับเรื่องอะไรจิตของเราก็จะเป็นอย่างนั้นถ้าเราอยากให้ใจเราเนี่ยมีความสุขมีความสงบเราก็ต้องรู้เลือกรู้จักที่จะใส่ใจซคื่อก็ได้แก่มารู้กายรู้ใจมาใส่ใจกับกายเวลาเคลื่อนไหวมาสังเกตรู้ทันความคิดและอารมณ์เมื่อมันมี สิ่งเหล่านี้ผุดขึ้นมาในใจนนถ้าเราเห็นคุณค่าของความใส่ใจตระหนักว่ามันเป็นทรัพยากรที่มีค่าเราจะหวนหวนหว ง, หวงแหงทนุถนอมว่าเราจะใส่ใจกับอะไรจะไม่โมแต่ปล่อยให้ใส่ใจกับเรื่องที่ไม่เป็นเรื่อง เรื่องราวของชาวบ้านนะคําพูดคําจาที่มันชวนให้หงุดหงิดที่ที่บางท่านก็เรียกว่าเป็นขยะนะที่หลุดจากปากของใครต่อใครเป็นเพราะเราไม่รู้จักนะควบคุมความใส่ใจของเราหรือเราไม่รู้จักส ง, งวนไม่รู้จัก ร, รักษาความใส่ใจเราจรึ ง, จงติดใจลังเต็มไปด้วยความทุกข์ เพราะว่ามัวไปไปจับไปช่วยเอาขยะนะเอาสิ่งนี้ไปเป็นสาระมาสุมไว้ในใจแต่ถ้าเรารู้จักเลือกใส่ใจนะเราก็จะรับเอาสิ่งดีๆเข้ามาทำให้ใจิตใจเราเบิกบานแจ่มใสเป็นกุศลแล้วก็จเจริญ ง, งอกงาม